พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสองสุตตันตปิฎกอังคุตรานิกายฉักกะนิบาตจุมนุมธรรมะที่มีหกข้อในหมวดนี้จัดเป็นหมวดห้าสิบรวมสองหมวดหมวดพิเศษนอกห้าสิบอีกสองหมวดจึงมีพระสูตรประมาณหนึ่งอสูตรเศษปฐมปันนาตหมวดห้าสิบที่หนึ่งวัคที่หนึ่งอาหุเนยยวัคว่าด้วยผู้กวนของคำนับ ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะหกอย่างเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรแกทักินาหรือของถวายควรทาอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพธพะพรู้ธรรมะแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีสติสัมปะชัญญะวางเฉย แล้วทรงแสดงภิกษุที่ประกอบด้วยธรรมะหกอย่างคืออภินยาหกมีอิทธิวิธีแสดงริดได้เป็นต้นทรงแสดงว่าภิกษุที่ประกอบด้วยอภินยาหกเป็นผู้ควรของคำนับกับแสดงธรรมะสองอย่างคืออินทรีห้าและภละห้าประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาโดยเพิ่มทมให้แจ้งเจโต ว, วิมุตติปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะเป็นหกข้อตรัสว่าทำให้ภิกษุควรแก่ของคำนับเป็นต้นตรัสแสดงม้าอาชาในประกอบด้วยองค์หกว่าควรแก่พระราชาคืออดทนต่อรูปเสียงปลิ่นรสโหดทพะและสมบูรณ์ด้วยสีกายอีกในหนึ่งเปลี่ยนแต่ข้อสุดท้ายคือสมบูรณ์ด้วยกำลังอีกในหนึ่ง สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าเทียบด้วยคุณธรรมของภิกษุคืออดทนต่ออารมณ์หกมีรูปเป็นต้นตรัสแสดงสิ่งยอดเยี่ยม6กอย่างคืออนุตริยะหกคือการเห็นการฟังการได้การศึกษาการบำเรอการระลึกอันยอดเยี่ยมตรัสแสดงที่ตั้งแห่งการระลึกหกอย่าง คือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลการบริจาคและเทวดาคือคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาตรัสแสดงธรรมะแกมหานามสักยะถึงอนุสติหกหรือการระลึกหกอย่างว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่ของพระอริยสาวกผู้บรรลุผลแล้วรู้แจ้งศาสนาแล้วหมายถึงสำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคล วรที่สองสารานิยาที่วักว่าด้วยธรรมะที่ให้ระลึกถึงกันเป็นต้นตรัสแสดงธรรมที่ให้ระลึกถึงกันของภิกษุหกประการคือหนึ่งตั้งกายกรรม 2. วจีกรรมส ม, มนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรมจารี 4. แบ่งปันลาบแก่เพื่อนปรมจารี 5. มีศีลที่ดีเสมอกัน 6. มีความเห็นที่ดีเสมอกันกับเพื่อนโรมจารีตรัสแสดงนิสารณียธาตุหมายถึงธาตุคือการพ้นไปหกอย่างคือหึเมตตาที่เป็นเจโตวิมุตเป็นฌานเป็นความพ้นไปแห่งพยาบาทหรือความคิดปองร้าย 2. กรุณาที่เป็นเจโตวิมุต เป็นความค้นไปแห่งวิเหสาหรือความคิดเบียดเบียน 3. มุทิตาที่เป็นเจโตวิมุตตหรือเป็นฌานเป็นความค้นไปแห่งอารติคือความริษยา 4. อุเบกขาที่เป็นเจโตวิมุตตเป็นความค้นไปแห่งราคะคือความกำหนัดยินดี 5. เจโตวิมุตตที่ไม่มีนิมิตคือเครื่องกำหนดหมาย เป็นความพ้นไปแห่งนิมิต ท, ทั้งปวง 6. การถอนอสมีมานะคือการถอนความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นความพ้นไปแห่งความสงสัยพระสาวรีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงความตายที่ไม่ดีของภิกษุผู้ทําการหกอย่างคือยินดีในการงานที่ไม่ใช่ของบรันรพชิตยินดีในการพูดมาก ยินดีในการหลับยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูยินดีในการเกี่ยวข้องยินดีในธรรมะที่ให้เนิ่นช้าส่วนในทางดีสแสดงตรงกันข้ามเขาฤ ห, หัสปตานีผู้เป็นมารดาของนักุลมานกพูดกับสามีผู้เป็นไข้หนักไม่ให้ตายอย่างมีความเพ่งเลงคือกังวลห่วงใยทั้งในการครองเรือน และในทางศิลธรรมเมื่อครืหาบดีหายแล้วก็ถือไม้เท้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลให้ทรงทราบตรัสชมเชยเครืหาปตานีเป็นอันมากตรัสปรารบพิกษุบวชใหม่ผู้นอนกรนหลับอยู่จนตะวันขึ้นแสดงว่าพระราชาและผู้เป็นหัวหน้าอื่นๆเช่นเสนาบดีนายบ้านที่เห็นแก น, นอน ย่อมไม่เป็นที่รักของชนบทและของกลุ่มชนส่วนสมณพราหมณ์ที่เห็นแก่นอนย่อมไม่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะได้ตรัสแสดงว่าผู้หากินทางฆ่าสัตว์ไม่เจริญตรัสสอนให้เจริญมารณาสติคือการระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะชื่อว่าไม่ประมาท กับอีกในหนึ่งตรัสสอนให้ระลึกถึงความตายแล้วมีฉันทะมีความเพียรพยายามความอุตสาหะความกระตือรือรน้นที่จะละอกุศละธรรมวักที่สามอนุตริยวักว่าด้วยธรรมะอันยอดเยี่ยมตรัสแสดงธรรมะหกอย่างว่า เป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุในการทั้งสามคืออดีตอนาคตและปัจจุบันได้แก่ความยินดีในการงานในการพูดมากในการนอนหลับในการคลุกคลีด้วยหมูความเป็นคนว่ายากการคบคนชั่วเป็นมิตรในฝ่ายดีตรัสแสดงตรงกันข้ามตรัสแสดงว่าคาว่าภายัยโรคฝี ความค้่องลมเป็นชื่อของกามตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะหกอย่างพึงทําลายขุนเขาหิมพานเสียได้จึงไม่ต้องกล่าวถึงการทําลายอาวิชชาอันต่ำซาม 3. ธรรมะหกอย่างคือฉลาดในการเข้าสมาธิในการตั้งอยู่ในสมาธิในการออกจากสมาธิในความควรแก่การของสมาธิ ในอารมณ์ของสมาธิในการเข้าสมาธิสูงสูงขึ้นไปตรัสแสดงที่ตั้งแห่งความระลึกหประการมีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระมหากัจาณะสอนภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องที่ตั้งแห่งความระลึก6กอย่างข้างต้นตรัสแสดงว่าภิกษุควรเข้าไปหาภิกษุ ผู้อบรมจิตหกสมัยคือเมื่อถูกนิวรณ์ห้าครอบงำและเมื่อใส่ใจนิมิตใดเป็นเหตุให้อาสวะไม่สิน้นภิกษุก็ยังไม่รู้ไม่เห็นนิมิตนั้นเข้าไปแล้วจะได้ขอให้สั่งสอนภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงสมัยที่กวนเข้าไปหาภิกษุอบรมจิตตามความเห็นของตนพระมหากจานะแสดงสมัยหก ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ตรัสถามพระอุทาญีเรื่องที่ตั้งแห่งความระลึกพระอุทาญีตอบไม่ได้และตอบเลี่ยงไปอย่างอื่นเมื่อตรัสถามพระอานนท์พระอานนท์ตอบชี้ไปที่การเข้าฌานการใส่ใจอโลกสัญญาคือความกำหนดหมายว่ามีแสงสว่างการพิจารณาโดยความเป็นของนาเกลียด การพิจารณาซากศพต่างชนิดการเข้าฌานที่สีพระผู้มีพระภาคตรัสประธานสาธุการแล้วตรัสสอนเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือให้มีสติเมื่อก้าวไปถอยกลับยืนนั่งนอนทำการงานตรัสรายละเอียดเรื่องอนุตตริยะหกเป็นการขยายความจากที่ประธานหัวข้อไว้ โดยใจความว่าการเห็นการฟังเป็นต้นอันนับว่ายอดเยี่ยมนั้นคือที่เป็นไปในทางธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าฟังธรรมะเป็นต้นวักที่สี่ชื่อเสกขะบริหานิยวักว่าด้วยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมของพระเสขะหรือผู้ยังศึกษา ตรัสแสดงว่าธรรมะหกอย่างคือความยินดีในการงานแบบเคารพหัดในการพูดมากในการนอนหลับในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่สำรวมอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นไม่รู้ประมาณในโภชนะคือในการกินตรัสถึงสิ่งทั้งหกว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งภิกษกุผู้ยังศึกษาหรือเสขะและตรัสแสดงธรรมะหกอย่าง ที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุคือความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความไม่ประมาทการปฏิสันฐานคือต้อนรับตรัสยักย้ายในเปลี่ยนข้อ5ข้อ6เป็นความเคารพในหิริหรือความละอายต่อบาปความเคารพในโอตปะความเกรงกลัวต่อบาป พระมหาโมคลานะสนทนากับพรหมชื่อติดสะเรื่องยานของเทวดาที่เกิดขึ้นว่าเราเป็นโสดาบันพรหมตอบว่าเทวดาในสวรรค์หกชั้นไม่ได้เกิดยานอย่างนี้ทุกผู้ต่อเมื่อผู้ใดมีความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ข้อนี้คือโสดาปฏิยังคองแห่งพระโสดาบันสี ต่อเมื่อเกิดองศีดังที่กล่าวมาผู้นั้นจึงเกิดยานเช่นนั้นตรัสแสดงธรรมะหกอย่างที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาในวงเล็บวิชาพาคียะได้แก่อานิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงอานิจเจทุกขสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกเขอนัตตสัญญา ความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่เป็นทุกข์ปหานสัญญาความกำหนดหมายในการละวิราคะสัญญาความกำหนดหมายในการคลายความกำหนัดยินดีนิโรธสัญญาความกำหนดหมายในการดับตรัสแสดงว่ามูลเหตุแห่งวิวาทมีหกอย่างคือภิกษุเป็นผู้โกรธ หูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอริษยาตรนีโอ้อวดมีมายามีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดยึดทิฏฐิของตนมั่นสละยากเมื่อมีความไม่ดีหกส่วนเหล่านี้แล้วก็ขาดความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาก่อวิวาทขึ้นในสงฆ์ อุบาสิกาชื่อเวลุกันต ก, กีผู้เป็นมารดาของนันทมานพประดิษฐานทักคินามีองค์หกในภิกษุสงฆ์มีพระสาวรีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคทรงทราบตรัสชี้แจงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าองค์หกคือองค์สามฝ่ายทา ย, ยกคือฝ่ายผู้ให้ได้แก่มีจิตผ่องสายก่อนให้ มีจิตผ่องใสกําลังให้มีจิตผ่องใสเมื่อให้เสร็จแล้วส่วนองค์สามฝ่ายปฏิคาหกหรือผู้รับได้แก่ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อละราคะปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อละโทสะปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อละโมหะ ทักินาที่ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้มีบุญอันไม่ง่ายที่จะนับจะประมาณทรงแสดงธาตุหกคืออารัมพธาตุความริเริ่มนิกรรมธาตุความก้าวออกบรารกกรรมธาตุความบากบันธรรมธาตุเรียวแรงทิติธาตุความอดทนอุปปักรมธาตุ ความพยายามทั้งหข้อนี้เป็นชื่อของความเพียรเพื่อชี้แจงให้พรามผู้หนึ่งละทิ้งความเห็นผิดปฏิเสธการกระทำของตนและของคนอื่นว่าไม่มีตรัสแสดงโลภะโทสะโมหะและอโลภะอโทสะโอโมหะว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการกระทำฝ่ายชั่วฝ่ายดีฝ่ายละสามข้อ ตรอบพระกิมมิลาเรื่องพระสัตวธรรมไม่ตั้งอยู่นานพระพุทธบริษัทไม่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการศึกษาในความไม่ประมาทในการต้อนรับฝ่ายดีส่งแสดงในทางตรงกันข้ามพระสาวรีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญทางจิต อาจอธิษฐานให้ท่อนปืนเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมให้งามให้ไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะมีธาตุทั้งหกคือปฐวีธาตุถึงอสุภาธาตุอยู่ในท่อนไม้นั้นตรัสกับพระนาคิตะเรื่องไม่มีพระพุทธประสงค์จะต้อนรับรามคฤรหัปบดีสาวอิศานังคละทํานองเดียวกับในธรรมหมวดห้า ที่ตรัสไว้แล้วแต่มีรายละเอียดต่างไปเล็กน้อยวักที่ห้าธรรมิกวักว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรมะตรัสกับพระอุทายีว่าคนทั่วไปเห็นสัตว์ใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือมนุษย์ใหญ่ก็เรียกว่านาคะ แปลว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พระองค์ตรัสว่าผู้ไม่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจว่าเป็นนาคะหมายเหตุคำว่านาคะมาจากคำว่านะคะนะัคนะในที่นี้สะกดด้วยนอหนูคอควายสระอะซึ่งแปลว่าภูเขาจึงใช้เรียกสิ่งใหญ่ๆได้ รัแสดงถึงบุคคลสประเภทคือหนึ่งประเภทที่เว้นจากความชั่ว 2. ประเภทที่เอาชนะความโกรธและความถือตัวได้แต่เกิดความโลภเป็นครั้งคราว 3. ประเภทที่เอาชนะความโกรธและความถือตัวได้แต่ยังมีวัจีสังขารเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวสำหรับคำว่าวัจจีสังขารในประโยคนี้ อธิกถาว่าได้แก่การเจรจาปราศัยบุคคลสามประเภทนี้แบ่งออกเป็นประเภทละสองพวกคือพวกที่ไม่ได้บรรลุวิมุตต์ตายไปแล้วก็มีแต่เสื่อมลงไม่สูงขึ้นอีกพวกหนึ่งได้บรรลุวิมุตต์ตายไปแล้วก็มีแต่สูงขึ้นไม่เสื่อมลง ตรัสแสดงแก่พระอานนท์เป็นการแก้ความข้องใจของมิฆาสาลาอุบาสิกาผู้ได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงอุบาสกสองคนที่ประพฤติพรหมจรรย์กับไม่ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อถึงแก่กรรมตรัสไว้ว่าได้เป็นพระสกัาคามีเหมือนกันเป็นการชี้ว่าอย่าว่าแต่ประพฤติต่างกันเลยแม้ประพฤติเหมือนกันในชั้นเดียวกัน แต่ฝ่ายหนึ่งก้าวหน้าก็มีไม่ก้าวหน้าก็มีคนประพฤติต่างชั้นก็อาจเสมอกันได้เพราะมีบางส่วนบกพร่องแต่บางส่วนสมบูรณ์ตรัสว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกโดยแสดงผลร้ายของความจนหกข้อพระมหาจุนทะผู้เป็นน้องชายพระสาวรีบุตร สอนภิกษุทั้งหลายไม่ให้ภิกษุผู้บำเพ็ญฌานกับภิกษุผู้เป็นธรรมะกระถึกคือผู้แสดงธรรมรุกรานกันและกันเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็ชื่อว่าหาได้ยากด้วยกันพึงสังเกตว่าพระมหาจุนทะรูปนี้จะพูดจะสอนอะไรมักจะเพื่อสมานสามาัคคีเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาเสมอ ตรัสแสดงธรรมแก่ปริพาชกชื่อโมริยะสิวกะผู้ทูลถามถึงธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกมาดูควรน้อมเข้ามาในตนผู้รู้เห็นได้เฉพาะตนโดยตรัสถามว่าเมื่อโลภโทสะโมหมีในภายในก็รู้ว่ามีในภายในไม่มีในภายในก็รู้ว่าไม่มีใช่หรือไม่ เมื่อตอบว่าใช่จึงตรัสว่านั่นคือธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการเป็นต้นตรัสตอพราหมู้หนึ่งในธรรมนองเดียวกับอริพาชกเป็นแต่ตรัสถามให้ตอบในเรื่องราคะความกำหนัดยินดีและสันโทศการประทุษร้ายทางกายวาจาใจพระเขมกับพระอุตระ เข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคต่างกราบทูลเป็นสุภาษิตคือพระเขมะกราบทูลว่าภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ขีณาศพไม่คิดว่ามีผู้ประเสริฐกว่าเรามีผู้สううเมสเมอเรามีผู้เลวกว่าเราส่วนพระสุมณะกราบทูลว่าภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีนาศพไม่คิดว่าไม่มีผู้ประเสริฐกว่าเราไม่มีผู้เสมอเรา ไม่มีผู้เลวกว่าเราหมายถึงไม่ยึดถือด้วยมานะความถือตัวตรัดว่าความสมรวมอินทรีย์ศีลสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบญาณทัศนะความเห็นด้วยญาณ น, นิพพิธาวิราคะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดวิมุตติญาณทัศนะความเห็นด้วยญาณถึงความหลุดพ้น ทั้งหมดเกี่ยวเนื่องส่งเสริมกันให้บริบูรณ์โดยลำดับพระสารีบุตรกับพระอานนท์สนทนาธรรมกันพระสารีบุตรสรนเสริมพระอานนท์รวมหข้อคือหนึ่งเรียนธรรมะ 2. แสดงธรรมะตามที่ฟังแล้วเรียนแล้วแก่ผู้อื่น 3. บอกธรรมะตามที่ฟังแล้วเรียนแล้วแก่ผู้อื่นส ตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะนั้นห้าจำพรรษาอยู่ในอาวาสที่มีพระเทระผู้สดับตรับฟปังมากหกเข้าไปหาพระเทระเหล่านั้นไต่ถามปัญหาเป็นครั้งคราวซึ่งท่านเหล่านั้นก็เปิดเผยชี้แจงบรรเทาความสงสัยให้ได้ตรัสตอบชานุสโสนิปรามถึงบุคคลหกประเภท ตามที่ถามคือหนึ่งกริย์ประสงค์ซัพย์พิจารถึงปัญญาตั้งจิตถึงกําลังคือพลกายใส่ใจถึงแผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 2. พราหมณ์ประสงค์ซัพย์พิจารณถึงปัญญาตั้งจิตถึงมนใส่ใจถึงยันคือการบูชา มีปรห ม, มโลกเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 3. เข้าฤหัสดีผู้ครองเรือนหรือพ่อเจ้าเรือนประสงค์ทรัพย์พิจารถึงปัญญาตั้งจิตถึงศิลปะใส่ใจถึงการงานมีการงานที่สาเร็จเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้ายสสตรีประสงค์บูรุษพิจารถึงเครื่องประดับตั้งจิตถึงบุตร ใส่ใจที่จะไม่มีสตรีอื่นมาร่วมสามีมีความเป็นใหญ่เป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 5. โจรประสงค์จะขโมยปิจจานถึงป่ารบตั้งจิตถึงสัตราใส่ใจถึงความมืดมีการไม่ถูกเห็นเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้าย 6. สมณะประสงค์ขันติคือความอดทนและโสรจจะ คือความสงบสงเงียมพิจารถึงปัญญาตั้งจิตถึงศีลใส่ใจถึงความไม่กังวลมีนิพพานเป็นข้อมุ่งหมายสุดท้ายสำหรับคำว่าพิจารแปลว่าตรวจตราตริตรองสอบสวนไต่ตรองตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นธรรมะข้อหนึ่ง ที่เจริญทำให้มากแล้วทำให้บรรลุประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ปัจจุบันและอนาคตพระธรมิกะเป็นภิกษุเจ้าถิ่นในเจ็ดวัดในชาติภูมิเป็นคนปากร้ายด่า ว, ว่าภิกษุอคันตุ ก, กะจนหนีไปหมดพวกอุบาสกจึงพากันขับไล่ไม่ให้อยู่ในวัดทั้งเจ็ดวัดจึงต้องเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสว่าเมื่อถูกไล่จากที่ต่างๆก็ต้องมาหาพระองค์เหมือนพ่อค้าเดินทางเรือสู่สมุทรเมื่อไม่เห็นฝั่งก็ปล่อยนกหาฝั่งไปนกก็บินไปทั้งสีทิศทั้งทิศเบื้องบนและทิศเฉียงถ้าเห็นฝั่งก็บินไปเลยถ้าไม่เห็นฝั่งก็บินกลับมาสู่เรืออีกแล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตอีกหลายเรื่อง